พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าให้เอาศีลเอาธรรมนำชีวิต เอาตั้งใจฟังนะที่นี่นะคณะสัตยาติยมลูกหลานเนะ่วันนี้เป็นวันนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันเนื่องในงานผุกผูกพัตสีมาวัดป่าดงใหญ่อำเภอเสียงกว่าเสียงหวงังอำเภอเพนจังหวดัดุรังธานี วันที่15ถึงวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นเวลารวมกัน7วัน7คืนงานของเราเป็นงานที่จัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีท่านพระครูสิทธิชยากรว่องแลร ะ, ล พ, ระพระอาจารย์ธงชัย เศรษฐิชโยเป็นเจ้าอาวาสนะเป็นเจ้าของวัดแล้วก็วันนี้นะับว่าเป็นวันมงคลมหามงค ล, งคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวามีท่านเจ้าคุณวาราศวารารังการเจ้าคุณราชวารารังการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานแต่สําหรับฝ่ายประธานฝ่ายฆราวาสก็มีท่านาด็อกเตอร์สมชัยฉัชยพงษ์ อธิบดีกรมศุรกากราทีเ่เป็นประธานฝ่ายคารวะถือว่าวันนี้เป็นงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่าทางผู้ใหญ่ทางจังหวัดก็มีทางาท่านดรสิทธิศักดิอ์อันนี้ก็ท่านก็ เ, เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ท่านกล่าวรายงานครั้งแรกแล้วก็คณะสัตยาญาติโยมหลายกลุ่มหลายคณะที่มาร่วมงานในวันนี้เห็นแล้วก็อบอุน่นแล้วก็เห็นศาลาของท่านอาจารย์ธงชัยนะแล้วก็หลวงพ่อเห็นแล้วก็อื ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างทำพิธีทางศาสนาคล้ายๆว่าแทนโบสถ์ได้ทุกอย่าง เ, เพราะว่าศาลาหลังนี้ะจะบวชพระก็ได้จะทำสังฆกรรมก็ได้แล้วก็จะฉันอาหารก็ได้จะมามีคนมาพักพาอาศัยก็ได้ศาลาหลังนี้โบสถ์หลังนี้เป็นอาคารหลังนี้เป็นอาคารอาเนกประสงค์ นับว่าอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็หลวงพ่อเพิ่งมาทราบว่าเนี่ยพระครูสิทธิชยากรพระอาจารย์ทองใสของเราขณะที่องค์หลวงตามหาบัว <c oughs> ท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงท่านก็เป็นกําลังหลักส่วนหนึ่งที่ช่วยองค์หลวงตา ที่หาทองคำเข้าขังหลวงนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นน้องน้องน้องน้อ ง, น, งนุ่งของหลวงพ่ อ, อที่เคียงบาเคียงไหล่กันในขราวนั้นที่หาทองคำเข้าขังหลวงได้ถึงสิบสามตันกว่าแล้วก็ได้ดอลล่าทั้ง10บกว่าดอลล่า เ, เป็น เ, เงินค้าคังหลวงอยู่ในประเทศ ชาติของเราแต่หลวงพ่อก็ได้ยินท่านหนึ่งพูดเหมือนกันนะในกลุ่มแบ่งชาติท่านบอกว่าที่ลงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงหนึ่งาตันนกกว่านี่ถ้าคิดเป็นเงินของธนาคารและเงินบริหารประเทศแล้วก็ไม่มากจิบจ้อยเหมือนกันหน่อยนิดเดียวแต่หลวงพ่อก็เลยได้ท้วงติงขึ้นมาว่าใช่ในขณะนั้นทาไม ทำไมคุณโยไม่พูดเออเพราะว่าหลวงพ่อได้ทราบข่าวว่าในช่วงปีศีรษสเนห้านั่นนะ่ะเงินในท้องพระังหลวงมีเงินอยู่สองหมื่นกว่าล้านตนตนมีเงินอยู่สองห 0,000 ื่นกว่าล้านตนตนแต่หลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงคิดดูสิว่าออทองคำบาทหนึ่งนะตะกอนน่ยก่อนหน้านี้มันสอง 2อนถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วก็มีเป็นเงินตั้งสมเกือบ4ี่0มื่นล้านพวกเราอย่างว่าจิบจ้อยอยู่เหรอเงินสองหม่นที่มันอยู่เงินเงินคงคังสองหมืนนั้นมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อก็ได้พูดนะคล้ายๆก็ว่าผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติจะเป็นผู้ใดก็ตามเราก็ต้องให้การสนับสนุน ใ ห, ให้ความเคารพให้ความสําคัญในท่านผู้นั้นอันเดียดวงตาท่านให้ความให้ท่านเป็นผู้มีเมตตาต่อประเทศชาติ น, ะนั่นแหละพวกน้องทุมทั้งหลายในยุคสมัยนั้นก็ได้ช่วยๆกันหาทองคําเข้าคลางหลวงถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดให้คณะสัตยทายญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานก็คงจะ ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าหากว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังก็เหมือนกับหลวงพ่อขี้อวดยกเอาตระกูลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อมาขี้อวดไกลๆแต่แต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะอันนี้พูดให้ฟังเพราะว่าเงินคงคลังเป็นเงินของใครเป็นเงินของประเทศชาติเป็นเงินของพวกเราทุกๆคน เพราะว่าเงินทองคำตัวนี้เขาไปค้ำในคลังหลวงก็ททำให้ธนบัติของพวกเรามีคุณค่าเพราะนั้นเป็นของใครเป็นของประเทศชาติเป็นของพวกเราทุกคนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไปนักสถานที่ต่างๆที่มาสัมผัสนะหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังนะต่อเ น, นี้ไปตั้งใจฟังนะทนนี้นะหลวงพ่อจะได้โพดแนวแถวธรรมะ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 บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังได้ฟังหลักเหตุผลฟังอัดฟังธรรมจิตใจผู้นั้นก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตารมะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้กวนทบทวน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็มาทบทวนดูแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาก่นกรองไตรตรองเหตุและผลในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในเรื่องนั้ น, น, น เราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดเพราะจิตใจของเราเป็นหนึ่งจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่มีเหตุผลในการกลั่นกรองแล้วถ้าหากว่าพวกเรามีปัญหาจิตใจปรุงฟุ้งซ่านอยู่นะหรือว่าหาคนที่เป็นโรคประสาทจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกระตัวนะมาพูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะจิตใจปรุงฟุ้งซ่าน แต่ถ้าหาว่าท่านผู้ใดเป็นมหาสติมหาปัญญาปัญญาอันแน่วแน่เป็นปัญญาอันเป็นหนึ่งจะตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะเป็นมีเป็นเหตุเป็นผลในตัวของเรื่องนั้ น, น, นได้นี่แหละภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้คณะรัตว์ทายาโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านนะที่มาร่วมในงานในวันนี้หลวงพ่อจะได้ กล่าวปารบเรื่องงานเพื่อเป็นสลิดเพื่อเป็นมงคลและหลวงพ่อคงจะไม่ได้พูดคงจะไม่พูดยาวนานนะจะพูดหลักเหตุผลอะไรบางอย่างให้ฟังเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแปดหมสี่พันพระธรร ม, มขันธ์มีมากมายแต่หลวงพ่อจะหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา เ, เท่านั้นละ่ะไม่มาก เ, เพราะว่า เราจะยกขาทั้งหมดคงคงคงจะพูดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนก็คงจะไม่จบนะแต่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังประเด็นที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบในเรื่องนั้ น, น, นเพียงประเด็นหนึ่งสองประเด็นนิดหน่อยะจากนั้นพวกเราก็จะได้เริ่มพิ ธ, ธีกรรมต่อไปตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าพิ ธ, ธีกรรมพิ ธ, ธีการแล้วนะที่นี้นะลูกหลานผู้ใดเสียงอ้อแออยู่แถบแถบนี้ให้ อ, ออกไปไกลๆนะ เดี๋ยวให้มันใหญ่ซะ ก, ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาฟังนะถ้าหาว่าเดี๋ยวนี้มันมารบกวนหมูพวกเพื่อนเพราะหลวงพ่อเองเป็นพระป่านะเพ้นเป็นพระป่ า, ปามาแต่กําเนิดมาแต่กําเนิดทำไมจึงว่ากําเนิดเพราะว่าหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ1112อ็ดสิอปีเป็นสมณีนนะจากนั้นนะอยู่ป่ามาตลอดเพราะนั้นมาถึงจุดนี้มาจุดที่จะเป็นองค์แสดงธรรมนะ หลวงพ่อก็ต้องอยู่ในความสงบแนงเงียบฮะธรรมะมันจริงจะออกมาถ้าหากว่ามีเสียงวุ่นวายมันพูดไม่ออกนะคณะสถาญาตโยมลูกลานเอาต่อไปรับฝั่งเทศนะที่นี่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะติโรปเทสวาโซจะปุเพจะกะตะปุญญาตาตตติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ที่พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้รับรู้รับทราบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นได้พูดป่ารบเรื่องงานงานนี้คืองานอะไรก็คืองานผูกพัทสิ ม, มาตัดลูกนิมิตรของวัดป่าดงใหญ่อาเภอ ตำบลเสียงหวางอัเพย์เพนจังหวั ด, ดอุดรธานีเอ่อตั้งแต่วันที่วันที่15ถึงวันที่22กุมภาพันธ์อ่เป็นเวลาเจดวันเจดคืนนานพอสมควรเอ่อแต่ถึงยังไงก็การบำเพ็ญคุณงามความดีเอ่อถ้าจะว่านานหรือเอ่อก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้น บางทีเราทำสิ่งที่มันไม่ดีม า, มากกว่านั้นก็ยังมีอีกการสร้างคนงามความดีอย่าไปถือว่ามันมากคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากแต่คนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า วันนั้นพวกเราคณะเวลาวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีการ ส, สแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าอาหารกายส่วนหนึ่งอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่ง อาหารกายก็คือข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอาหารการบริโภคอันนี้คืออาหารภายนอกปัจจัยสี่แต่ส่วนอาหารภายในคือศีลและธรรมจริยธรรมคือประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนคือคุณงามความดีมีให้ทานรักษาศีล และก็ภาวนาปฏิบัติอันนี้คืออาหารทางจิตใจอาหารกายอาหารใจเป็นของคู่กันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องอาหารใจมากกว่าอาหารกายแต่ส่วนอาหารกายนั้นท่านก็ไม่ได้ประมาทการโศสวงหาทรัพย์อุตถานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน อรักษสัมปทาเมื่อรักษาทรัพสมเาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วให้เก็บรักษาไว้อย่าให้เสียเสื่อมเสียโดยที่ไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลอันนี้ว่ารักษาไว้ว่าอารักษสัมปทากัลยาณมิตตตาคบเพื่อนที่ดีงามสำ ม, มาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้คือการบริหารจัดการ เรื่องอาหารของกายแต่เรื่องอาหารของจิตใจก็คือทานศีลภาวน า, เ, าเพราะว่าอาหารใจต้องการาความสงบตต้องการความสุขด้วยหลักเหตุและผลการสร้างคุณงามความดีแต่อาหารกายนั้นเมื่อเราจะลักเราจะสสสสแสวงหาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนให้ร่างกายนี้พักผาอาศัยให้ร่างกายนี้อยู่ ร่างกายนี่ก็ยังแก่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะเพราพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอคำว่าอื่นคืออะไรอย่าแก่นะมันก็แก่อย่าเจ็บอย่าตายมันก็ตายเพราะไหรรเพราะร่างกายนี้ไม่อยู่ในโอวาทไม่อยูใ่ในความต้องการของเราเพราะนั้นถึงเราจะเลี้ยงร่างกายให้ดิบดีขนาดไหนอพอเลี้ยงไปนานๆเข้า เราก็จะเห็นผมขาวเห็นฟันหลุดเห็นตาฝ้าฟางเห็นหูตึงเห็นหนังเหี่ยวจ า, จากนั้นก็ถ้าหากว่ายังมีท่าขันยืนยาวต่อไปเป็นเกือบเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วก่อนนั้นะนอนอยู่ใน เ, เตียงนอนนี้ลืมตาขยับขยื่นไม่ได้นี่ละ่ะร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนให้อาหารดีขนาดไหน ที่อยู่อาศัยโออาหลูหราขนาดไหนร่างกายมันก็ไปไหลไปสู่สภาพแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีอะไรที่จะยับยั้งมันได้เพราะมันเป็นอื่นอยู่เสมออย่างที่ว่าแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของใจคืออะไรคือนามธรรมคํานี้นะ่ยพระพุทธเจ้าได้ ไปค้นคว้าศึกษาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ที่โครนต้นโพนะ่ท่านไปบำเพ็ญฝึกหัดแล้วก็เป็นไปการทดสอบไปการทดลองด้วยจิตวิทยาด้วยจิตวิญญาณของพระองค์เป็นเวลาทังหปีไปทดสอบทดลองอยู่ตามลำพัง จนถึงวันพตเดือนหกเพนเป็นวันสูตรสำเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนนั้นพระพระองค์ทำอย่างไรพระองค์นั่งคัดสมาธิอย่างพระประธานขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ในวันเดือนหเพ่นนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจลรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัศนเกิดฌานขึ้นมาและลำลึกชาติขนหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณข้อที่2ก็คือจตปปุปาตญาณการจติการเกิดการตายของสรรพสัตว พอจวนสว่างท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถอดถอนกิเลสโลบโกรหลงราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์พระไทยของพระองค์ององเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะนี่แหละพระพุทธองค์ได้จัดตัดรู้ในวันเดือนหเพนนนั้นคือตัดรู้ธรรมสมอย่างปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูป ป, ป, ป, ปาตญาณอาสาวกยญาณ แต่ให้พวกเราสังเกตดูว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าปุปเพนี่ว่าสานุสติญาณคือญาณตอนหัวคําให้พวกเรานึกดูใช่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าปุปเพนี่ว่าสานุสติญาณละลึกชาติขนหลังได้นี่แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดเองเพราะเหตุอะไรถ้าพระพองค์เกิดมาชาติเดียวพ ร, พ, พระพุทธองค์จะ ละลึกชาติผลหลังได้ยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เกิดมาอยู่เนี้ยนะคุณมานั่งอยู่บนธรร ม, มาฏเดี๋ยวเนี้ยหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวเนี้ยหลวงพ่อจะระลึกถึงเมื่อวานมันก่อนเดือนปีก่อนได้อย่างไรพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้ระลึกไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะตัวเองเกิดมาในเดี๋ยวนี้แต่นี้ไม่ใช่เพราะพระองค์ละลึกชาติผลหลังได้อดีตชาติของพระ อ, องค์มีมีมากยาวเหยียด ในการเป็นอยู่ของพระพุทธองค์อันนี้เรียกว่าปเุเพนิวาสานุสติญาณพอถึงเชี้ยงคือจุตูปะปาตญาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนมาจากไหนแต่พตระพุทธองค์ก็ย้อนดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนมาจากไหนทำไมไม่เหมือนกัน ความมั่งมีสีสุขความสุขสบายชติปัญญายศถาบรรดาศักดิ์ความร่ำรวยการเป็นอยู่ทุกอย่างร่างกายทำไมไม่เหมือนกันนี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทำถ้าหากว่าคิดดี ทำดีพูดดีกรรมดีก็จะให้ผลไปในทางที่ดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลไปในทางชั่วไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีในโอวาทปฏิโมกว่าอากตังทุกตังเสยโยปัจ ช, ชาตปฏิลุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้นะอันนี้คือหลักของพุทธศาสานาท่านเน้นเรื่องของกรรมแล้วก็ท่านเน้นว่าปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้พระองค์ละลึกชาติ้นหลังไ ด, งงได้ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวคนมาคนเราเกิดมาด้วยกรรมคือการกระทำ พรวฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านในเมื่ อ, อหลวงพ่อพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าพวกเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายตายแล้วไม่สูญฮะแต่ว่าเออใช่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรามองเห็นได้แต่ว่าคําว่าตายแล้วไม่สูญคํานี้นะ่ะหลวงพ่อเนี่ยเอาอะไรมายืนยันอันนี้ก็เราอยากจะให้พวกเราคณะทาญาติโยมโลูกหลานทุกคน พราะนี้คือนามธรรมเราจะหยิบยกยื่นขึ้นมาให้เห็นก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ถึงยังไงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ไกลๆนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพิสูจน์ได้แต่พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแลือตายแล้วสูตรเนี่ยตายแล้วเกิดเนี่ยเราทำยังไงพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธองค์นั่งสมาธิใช่ไหมละ่ะที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระพุทธองค์ นั่งขัดสมาธิในโคลนต้นโพตอนหัวค่ําเมื่อนั่งสมาธิแล้วพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าตายแล้วไม่สูญเกิดญานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเจ้ว่าปุเพนีว่ว่าสานุสติญาณนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ที่มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี้อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัว หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้พิสูจน์นำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์และก็หลวงปู่มั่น เ, เป็นผู้แนะนําสั่งสอนคณะสิทธิญาณุสิทธิ์ของของค์ท่านลูกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นท่านก็ปฏิบัติตามตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้นั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงแล้วราลงสติเฉพาะหน้าให้ภาวนาหายใจเข้าพดหายใจออกโผลหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านได้ทดสอบทดลองไปแล้วตามแนวแถวของพุทธะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันหลดุดมันเผลอมันลืมได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายให้บริกรรมเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดนะ หายใจออกบริกรรมโธให้มีสติสัมปชัญญะในพทุพโทโธพุทโธบังคับนะฮะอย่าไปปล่อยให้มันคิดธรรมดาไม่ได้ต้องบังคับตั้งสติให้แน่วแน่ให้เข้มแข็งในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสติของเรามั่นคงเราเห็นจิตของเราใจของเรามันนึกคิดเรื่องอะไรเอาสติจับจุดนั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธ จากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิสมาธิมีอยู่สามขั้นนะคณิกะคือจิตเข้าสมาธิแบบประเดียวประดาวอันนั้นคือสมาธิเบื้องต้นแค่มันมันรู้สึกว่าเย็นจิตใจว่ า, วามีความสุขในชั่วขณะหนึ่งอันนั้นท่านจัดว่าเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคือสมาธิที่กาหนดจิตใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไร ทันใจสติทันใจแต่ไม่ยังไม่สงบยังรับรู้เสียงยังรับรู้เรื่องราวอยู่แต่จิตใจอยู่ในการควบคุมของสติอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่อัปปนาสมาธิจิตใจแนวนิ่งไม่รับรู้ทางกายไม่รับรู้เสียงสิ่งภายนอกมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น จิตเป็นอันไดสติเป็นอ น, นันจิตถึงขั้นนี้แหละพอถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเห็นได้ชัดหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราคณะสัตธทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ทราบว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่แหละ เมื่อเรานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจส่วนหนึ่งร่างกายคือส่วนหนึ่งร่างกายก็คือรถแต่จิตใจคนเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ท่านจึงยกเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจในหละของพุทธศาสนาถ้านไม่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องรถนะท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นโซเฟอร์สมควรยิ่งจะต้องได้รับการอบรมได้รับการ เอาคุณธรรมศีลและจริยธรรมให้โซเฟอร์เป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าโซเฟอร์เป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีรถคันนี้ก็ดีไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าโซเฟอร์ดีถ้าว่าโซเฟอร์เป็นคนที่โกโร เ, เป็นโมโหโกท า, เ, าเป็นนิสัยไม่ดีนิสัยนักเลงนิสัยคนไม่ดีพอขึ้นขับรถนะ ชนดะเหยียบดะไม่เว้นไข่เห็นใครก็ บ, บีบแกดดา่าดะไปเรื่อยเพราเหตุหอะไรเพราะว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องเรื่องของโซเฟอร์ออมากกว่าเรื่องของรถเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นเวลา เวลารถคันนี้มันหมดสภาพ เ, เมื่อเราใช้ไปหลายปีบางคนก็นี่แหละใช้ไปแปดเกปีเข้าไปถึงร0 0ปีรถคันนี้มันหมดสภาพพอหมดสภาพแล้วจะทำยังไงโซเฟอรออ์ได้คิดไว้ก่อนไหมได้เตรียมการไว้ก่อนไหมได้เตรียมเงินไว้ก่อนไหมถ้าหากว่าโซเฟอร์คนใดไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วสูญ คิดว่าจายตายและศูนย์ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนในเมื่อโซเฟอร์คนนั้นออกจากรถคันนั้นดูซิลถโซเฟอร์ไม่มีเงินแล้วจะเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์ยากลาบากเพราะไม่มีเงินเหมือนกับคนไม่มีเงินเดินทางออกจากออกไปต่างประเทศอย่างนั้นะอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์จึงแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพนธบริษัทของพระองค์ว่า ให้เป็นผู้เตรียมพร้อมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจนั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีมากหลากหลายให้ทานก็ใช่คารพบิดามารดาครูอุปชาอ า, ายานวัยยวุฒิคุณมุตนวุฒ สรุปลวก็คือให้เป็นคนดีให้อยู่ในกฎหมายให้อยู่ในกฎศีลธรรมให้เป็นคนดีนี่แหละคนนี้แหละคือเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าหากคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไม่เชื่ออีกต่างหากคนนั้นเมื่อออกจากร่างแล้วใจดวงนั้นก็จะได้รับความทุกข์ยากลำบากว่าะะไรเพราะว่าใจไม่ได้ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับ คณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนสรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ เ, เพราะว่าทุกวันนี้โยกโรคทุกวันนี้ยุคสมัยนี้โดยมากคนทั้งหลายจะไม่ค่อยเชื่อกันว่าตายแล้วเกิดโดยมากบอกว่าตายแล้วสูญแต่ถึงจะพูดว่าตายแล้วสูญก็เถอะก็ยังไม่มั่นใจอีกเหมือนกันมันสูญแน่หรือเปล่าหรือว่าคิดพูดเอาเฉยๆนะ เพราะนั้นอยากจะให้พวกเราคณะสัทธ า, ธาญธาิโยงลูกหลานไม่ต้องสงสัยอย่างนั้นให้พิสูจน์เพราะหลักธรรมคาสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยท่านพิสูจน์ได้เป็นหลักวิทยาศ า, ศาสตร์ไกลๆยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดและพราะพุทธเจ้าก็ตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นการที่จะเอาใจจะให้รู้เรื่องของใจและทำยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่านั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโถพดโถเมื่อใจของเราสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองวัะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทายาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะแล้วก็การวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวถึงจะมากกว่านี้เดี๋ยวกับพวกเราคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานคงจะ ชั้นอาหารมาเหนื่อยหมา ด, ดๆนะเขาคงจะนั่งไม่สะดวกสบายแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็อยากจะย้ำให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่างที่พวกเราเบื้องต้นเห็นไหมเราไปนัสถานที่ต่างๆพอเข้ามาแล้วก็ไหว้พระ พอไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีลท่านเจ้าคุณราษวรารังการเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ให้ศีลนะแต่โดยมากพวกเราสังเกตใช่ไมโดยมากครูบาอาจารย์ท่านให้ศีลเอ้ศีลห้าประการอย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าขาโมยทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่ากโกหกอย่าดื่มสุราค่าข้อท่านั้นไม่ได้เหรอจาไม่ได้เหรอ แต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูอีกว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังมีแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพมีแต่การเสาะแสวงหาทรัพย์ที่จะมาค้นคิดเรื่องศีลและธรรมเรื่องศีลนี่ยหาเหตุและผลในเรื่องของศีลเนี่ยคงจะหาได้ยากเพราะว่ามีการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงก่อนที่จะให้ศีลหลวงพ่อจึงแนะนําเรื่องของศีลให้กับคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังตั้งแต่น้โม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพบแด่พระผู้มีพระภาคกระหัสถสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนักพะพุทธทางธรรมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งระดถือว่าเป็นผู้มีพระคุณพระคุณคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้โดยพระองค์เองจากนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุมีผลที่พวกเรานํามาคิดนำมาพิจารณาการกลองไต่ตอง เป็นสว่าขาดธรรมตรัสไว้ถูกต้องเป็นธรรมจากนั้นก็สังขังสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพุทธทงธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิข้าพเจ้ายืนยันเป็นครั้งที่สองตะติยัมปิข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สาจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระปิดที่พึ่ง จากหน้ากล่าวเป็นองค์ศินปานาติปาตาเวรมณนีเพราะนั้นยนุคนี้รัฐบาลยุคนี้หรือภาคณะสง์ประธานสงในยนุคนี้ท่านอยากจะให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมหมู่เป็นหมู่บ้านสินหนะ้าตามวิจิงถ้าได้ศินห้าอย่างที่เจตนาของท่านพ่อผมมีประโยชน์เหมือนกันนะนะมีประโยชน์อย่างมากแต่มันก็ยากนะแต่ถึงจะยากก็เถอะนะถ้าเรารู้รู้คุณค่ามันก็ไม่ยากนะ อย่างที่ข้อที่หนึ่งเราอย่าคิดฆ่ากันในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาใช่เราไปฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่ อ, อไหร่คนอื่นมาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาราณาญ า, าติญาติพิษสหายของเราที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสพ่อแม่พี่น้องเราล้มหายตายจากด้วยน้ำมือของคนอื่นเขาเรารู้สึกเสียใจอย่างมาก ในเมื่อเราไปทําให้กับเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นคุณค่าทางด้านจิตใจของมนุษย์ชาติท่านว่าอย่าฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะอย่าฆ่ากันอันนี้ละ่ะคือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานอย่าขโมยคนอื่นของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเรานะขโมยรถขโมวยวัวควายขโมยสิ่งของ ขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปเรียกค่าทายอย่างเนี้ยเราเสียใจไหมเราเสียใจถ้าเราขมาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นหัวใจและว่าใจของมนุษย์หัวใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าเราไปทําอย่างนั้นเข้ามามันเสียหายมันมีความทุกข์เพราะนั้นจึงบัญญัติสินข้อที่สองให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ข้อที่สามกาเมสุพิษสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราเขาเราไปล่วงละเมิดไปไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาก็เสียใจยถ้าไมเขาไม่มาไม่ให้เกียรติเราไม่เคารพสิทธิ์ในตระกูลของเราในวงศ์สาคานายาตของเราเราก็เสียใจ เพนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นโกหกเราล่ะเราเสียใจไหมสมมติว่าเขามาเขียนเช็คแต่งให้กับเรานี่ทังที่เงินไม่มีอยู่ในธนาคารเขาจะเสียนให้พอเขียนให้เสร็จแล้วเขาก็เปิดแหนบเลย เราก็เอาเงินไปขึ้นเงินไม่มีในธนาคารถ้าเป็นเงินมากๆเราก็คงจะเสียใจอย่างมากทีเหมือนกันเพราะนั้นบางทีเขาย้อมตะกรวเพราะว่าเป็นทองคําเราก็ไม่รู้พอที่ไหนได้พอเขาไปแล้วเราจึงมาพิสูจน์ดูเป็นตะกรวเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคำนี้นะไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่าย ถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นให้คค au, เ ค, รค า, คเารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สสรุปแล้วคือสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ศินห้านะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาคือให้รู้จักคุณค่าของคนอื่นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าล่วงเกเล่วงเกินซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือสิน สินข้อที่หสุราเมรยามัชะประมา ก, การดื่มสุราเมลยัยสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์เอ่อบางคน ก, กินเบียร์ผิดไหมเอ่ยคำว่าเมลยัยสุราเมรยามัชาเอ่แล้วก็คัญชายาฝิ่นเฮโรอินยาบ้ายา마โคเคนจะเป็นอะไรก็าตามที่ไม่มีชื่อก็าตามถ้าเดิบดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติ ในเมื่อคนขาดสติแล้วจะไม่มีชื่อสิ่งนั้นก็าตามแต่สิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เ, ออเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นแปลว่าออผิดศีลข้อที่หพอดื่มน้ําเสียมเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วดีทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้ศีลหา้าศีลสีข้อเบื้องต้นกระจุยเลยจะฆ่าใครก็ได้เพราะคนขาดสติ จะขโมยไครก็ได้เพราะคนขาดสติจละลาบระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติจะโกหกไครก็ได้เพราะขาดสติเพราะศินข้อที่ห้าเป็นสินที่น่าคิดอีกเหมือนกันนะคณาสัตยายาติโยมลูกหลานถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับหลังคาหลังนี้แหละนะหลังคาหลังนี้หลังคาโบดหลังนี้น ะ, ะสินข้อที่หนะ้านั่นคือสังกสีอลูซิ่งอยู่ข้างบนหลังคาถ้าหากว่าสังกสีรั่วนะ สังกษีไม่มีแล้วโบสถ์หลังนี้จะอยู่ได้นานไหมอยู่ไม่ได้นานฝนตกมาก็ลงมาถึงพื้นแดนเอามาก็ถึงพล้นผลี่สุดอาคารหลังนี้เลยเออผุพังกระจุยกระจายไปหมดค่อยไหลเพราะไม่มีสังกษีมุงบังนี้ก็เหมือนกันสินข้อที่ห้านี่หลวงพ่อว่านมันเหมือนกับสติสัมปชัญญะถ้าคนขาดสติแล้ว ทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง food, like ชี้ประเด็นให้กับคณะสัตยาธิโยมลูกหลานได้ฟังนะทั้งธรรมะด้วยทั้งวินัยด้วยวินัยคือสินศินค <amar objects S 2> <ม>ือวินัยกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันคือศินแต่เรื่องธรรมนั่นก็คือแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอธิบายให้ฟังว่าเรื่องสมาธิใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจอันนั้น เรื่องวิถีแนวความคิดทางด้านจิตใจคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงคิดโง่คิดยังไงคิดเพลนะอันนั้นคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้วันนั้นขอให้คณะทา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกค น, นเมื่อได้ฟังแนวธรรมคาสอนที่หลวงพ่อได้บรรยายมานะให้พวกเรานําไปคิดไปพิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผล ในเมื่อเราจันทกลการกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นแหละ เ, เราก็นํามาประพุทธปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใจาใจของเราเมื่อเรามาปรับปรุงกายวาใจใจของเราใจของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสมบัติของเราเหลวงพ่อไม่ได้ไปขอแบ่งเอาจากพวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้ดูกอันนี้ผิดนะลูกหลานอันนี้ถูกนะลูกหลานนะอันนี้ควรไม่ควรนะ ในเมื่อลูกหลานทั้งหลายคณะสัตธาญาติโยมทั้งหลายนําไปปฏิบัติสมบัติทั้งหลายก็จะเป็นความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานฮะหลวงพ่อไม่ได้มีการแบ่งสรนปันส่วนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกหลวงพ่อเองแต่เป็นผู้ชี้ชี้หนทางถ้าจะว่าไปอีกอย่างนึงก็ชี้ขุมทรัพย์ให้ขุมทรัพย์คือสมทรัพย์ของพระพุทธศาสนาขุมทรัพย์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ให้พวกเราไป ป, ปฏิบัติและปิติความสุขความเจริญหนะ้าลูกหลานหนะ้าการกล่าวสัมมทนียกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษตเบื้องต้นว่าปฏิลูประเทสวาโซจจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธอิอันนี้คือปฏิลูปเทสวะโซจะ พวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงศิลธรรมแล้วก็ประเทศของเราก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เรื่องข้าวน้ำโภชนะอาหารแล้วก็ดินฟ้าอากาศไม่มีภูเขาไฟแผ่นดินก็ไม่ไหวจนถึงให้เสียหายนี่แหละีว่าปฏิรูประเทสวาโซจาก เ ป, เ, ปเป็นปฏิรูปประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งปุเพจกคตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญนะ อ, อ, อาจจะไปเกิดอยู่นั่นแถวแอฟริกาหัวโตๆท้องใหญ่ๆขาเรีบๆนะเราอาจจะไปเกิดน่าจะฐานที่แห่งนั้นก็ได้ไม่มีเสื้อผ้าอีกต่างหากนี่แหละถ้าว่าเราไม่มีบุญนะ เพราะนั้นพวกเราบีบุญจะนมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยยะาวาปุเพจัจกรตะปุญญตาอัตตะซัมมาปณิธิเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบสิ่งนั้นที่จริงไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราคิดทําพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีนั่นแหละกรรมที่เราก็ทระอำไปนั้นจะให้ผลตามสนองเราเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพอเพอเรามาเกิดในภพนิชาตินี้ในประเทศไทยนะพอกรรมพอกรรมไม่ดีให้ผลนะกรรมไม่ดีอาจจะเตะโดงเราไปเกิดจุดนันแถวแอฟริกาท้องใหญ่ๆขารีบๆหวัวโตๆ ต, ตัวดำๆไม่มีเสื้อผ้าอีตางหากอันนั้นเราจะอาจจะไปเกิดในสถานที่นั้นก็ได้เพราะกรรมชั่วพาไปเกิดเนพะราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเียาวาปฏิรูประเทศสวานโซจะ อยู่ในประเทศอันสมควรปุกเพ จ, จากกระตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้สร้างสร้างบุญตั้งความปรารถนาเออผู้ข้าเกิดพบใดชาติใดขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้พื้นแผ่นดินก็จะได้อดอยากให้มีอยู่มีกินแให้ประกอบให้ได้ประกอบคุณงามความดีเนอเกิดในพบใดชาติใดอันในพวกเราก็คงจะตั้งความปรารถนาอย่างนั้นมาก่อนนะแต่มามาถึงมาถึงจุดนี้แล้ว เราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะสิ่งที่มันไม่ดีขนเข้ามาใส่ตัวเองเนีเหมือนกับใจนะใจคือโ ซ, โซเฟอรนะ์ยาบ้ายาม마คัญชายาฟิน่นเฮโรอีนขนมาใส่รถตัวเองนะฮะขนมาใส่ร่างกายของตัวเองสิ่งที่มันชั่วขนมาใส่ร่างกายร่างกายนก็เต็มไปด้วยของที่มันไม่ดีในเมื่อสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละเขาก็ต้องจับไปใส่ขังคุกขังตารางเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเรา เอาแต่สิ่งที่ไม่ดีใส่รถของเราเพราะนั้นเราเป็นใจของเราเป็นโซเฟอร์ควรจะสรรหาคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีให้กายของเรานำประฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้ละ่ะอันนี้แปลว่าใจของเราโซเฟอร์ของเราเนี่ยได้นำกายของเรามาประกอบคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพวกเราได้นาสิ่งที่ดีนะ เ, เข้ามาใส่รถของเรารถของเราก็เป็นิลิปเป็นมงคลตลอดไปต่อๆไปตลอดไปนะการกล่าวสมโภชในยะกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับกาลเวลาด้วยอำนาจคณพระีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลคุ้มครองด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของพ่อแม่รูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองคณาทาญาติโยมโลกลาน ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทกท่านด้วยเธอ